ในเมื่ขาวที่แล้วนี่เราได้พูดถึงเรื่องากาวที่แล้วพูดถึงเรื่องโยนิโสมนัสิกาโยนิโสมนัสิกาใโยนิโสมนัสกาวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความคิดแบบโยนิโสมนสิกาสิบสิบข้อนะครับความคิดแบบแบบโยนิโสมนัสิกาสิบข้อครับความคิดแบบโยนิโสมนัสิกาสิบข้อด้วยกัน เ อ, อประการที่หนึ่งนะครับอาจารย์ให้ผมเริ่มได้เลยใช่ครับเริ่มได้เลยให้ใจนะครับประการที่หนึ่งก็เรียกว่าคิดแบบสาวหาหตุปัจจัยคิดแบบสาวสาหตุปัจจัยนะครับเช่นแนวคิดในปฏิจจสมุปบาทครับแนวคิดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรียกว่าคิดแบบสาวหาหตุปัจจัยคือว่าเช่นแวบบ่าสุขทุกเนี่ยครับเกิดขึ้น ก็สาวหาว่ามันเกิดจากอะไรเขอมายความว่า เ, เมื่อเห็นผลนี่มันปรากฏอยู่ครับแล้วก็สาวหาเหตุว่ามันเป็นเพราอะไรถึงมีผลอย่างนี้ใช่ครับครั บ, รบเป็นว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็สาวหาว่ามันมีเหตุมีเหตุอะไรมีปัจจัยอะไรครับเพราะว่าพอสาวไปถ้าตามแนวปฏิจจสมุปบาทในแบบนะครับอาจารย์ฮะในแบบก็จะไปเจ อ, เอความเกิด ชาติความเกิดก็สาวต่อไปว่าความเกิดนี้มาจากอะไรก็จะได้คำตอบว่ามาจากภพถ้าภพนี้มาจากอะไรก็มาจากอุปาทานครับอุปาทานมาจากอะไรมาจากตัณหาตัณหามาจากอะไรมาจากเวทนาสาวเลื่อยขึ้นไปไปจนถึงอวิชชาครับนะครับอันนี้เรียกว่าแนว ค, คิดแบบสาวห า, <ม>าเหตุปรจจัยครับ ทนถ้านอกปร จ, จัจสมุปบาทมันก็เขามีเยอะอยะความเกิดของเรานี่มาจากอะไรกรรมมีเพราะมีอะไรสมมุติว่างนี้นะครับ อ, อกรรมมีเพราะมีอะไระสาวไปก็จะเจอกิเลสกรรมมีเพราะมีกิเลสเพราะว่าตรรมตามหลักก็มีว่ากิเลสกรรมแล้วก็วิบากใช่ไหคร่ะทีนี้ถ้ามีโยนี่สมานสิการ เมื่อมีโยนิสโสมณสิการอยู่อากุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นอากุศลที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเพือ่อค่อยๆอาจารย์คความคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยนะจริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์แต่ทุกวันหนึ่งนาทีเราไม่ค่อยไปโดยสภาพความเป็นจริงในชีวิตของคนเราเองก็ดีในแง่ของประเทศชาติก็ดีนยะเมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราส่วนมากเราจะไม่ไป แก้ปัญหากันที่ไม่สาวไปหาเหตุแต่ว่าเราก็จะแก้ปัญหาหแบบแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็จะเจาะตรงนั้นใช่เจาะตรงนั้นน่ะเจาะตรงนั้นไม่ได้สาวไปหาเหตุใช่สมมุติว่าตอนเนี้ยอ่าประเทศชาติของเราเศรษ ฐ, ฐกิจมันล่มจมอย่างเงี้ยครับพักการเมืองก็หาเสียงกันบอกว่าอาจจะทําอย่างโน้นอย่างนี้จะเรียกว่าเอาเงินทุ่มเข้าไปจุดโน้นจุดนีน้ น, นะฮะครับแต่เราไม่ได้ไปดูว่า ไม่คิดเธอไปแก้ว่าสาเหตุที่มันเกิดความยากจนเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเมื่ได้ไม่ได้แก้ไม่ได้คิดสาวไปถึงตรงโน้นครับะใช่ครับคือว่าไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยโยนนิโอมัไม่ค่อยมีนนมคม น, นะนนิสโอมันราชการโยนนิโสมนันจับมันต้องสาวไปหาต้นต่อครับหาต้นต่อของมันโยนนี้แปลว่าต้นต่อครับอย่างก็แต่ปัญหาข้าวยากหมักแพงทุกวันเนี่ยนะถ้าเราไป ย้อนลาวที่เกิงเข้าไปเจอตัวตันหาของคนเราเนี่ยความโรคความความความโรคของคนเนี่ยเป็นใหญ่นะอาจารย์พูดตรงนี้ดีเลยครั บ, รบว่าไว้ข้ายากหมักแพงเนี่ยนะครั บ, รบถ้าเผื่อเราสาวเข้าไปจริงๆไอ้ความความโรคความไม่รู้จักพอความพุ่งเฟือย ค, ความอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครั บ, รบมันมากมายเหลือเกินที่ทำให้เกิดข้าวยากหมักแพงขึ้นมานะฮะ อถ้าไ ม, ม่ชาลบอกพยายามตัดสิ่งนี้ลงลดสิ่งนี้ลงแพงก็แพงไปสิฉันไม่เอาอะแล้วอ <c oughs> ย่างไปดูเขาไป ท, นทานทอดแต่เขาทานแล้วเขายกอินเดียเนี่ยครับเขาอไปผมก็ไม่เคยเจอรถเบสเลยนะ อ, อรถรยุโรปนี่แทบจะไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยนะคเป็นรถที่เมดอินินเดียทั้งหมดเลยฮะรถเล็กรถน้อยรถใหญ่รถบรรทุกอะไรเนี่ย ของดีหมดใช้แอมเบสเดอร์แอมเบสเดอร์ยี่ห้อเดียวแล้วก็รถบรรทุกก็ยี่ห้อทาทาอาแล้วก็มียี่ห้ออะไรอีกนอตอะไรเงี้ยก็เป็นของข่าวทั้งหมดเยเพราะที่อื่นเขาจะขายแพงไงก็แพงก็แพงไปเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาซื้อของเขาเองแล้วก็รัฐมนตรีก็ใช้รถแอมเบสเดอร์นี่ยไม่มีติดแอร์ก็รถเก่าๆครผมไปดูแล้วเหล็กโอ้โหแข็งมากนะอาจารย์ แข่งนะฮะเอมบัสเตอร์นี่แข่งตั้งแต่แท็กซี่ไปจนถึงอินทิรากานธีอะใช่เอ็นบัสเตอร์ใช่มันเป็นคนยากกัใช้อันนั้นคนคนจนกับคนรวยก็ใช้รถที่ห่อเดียวกันครับบอกว่าถ้าหากว่าไปซื้อรถต่างประเทศเขาต้องรอเป็นสิบสิบปีนะเมื่อก่อนเนี่ยครับถึงจะซื้อได้แล้วก็ทํารถไฟได้เองรถไฟไม่ต้องสั่งซื้อจากข้างนอกเพราะฉะนั้นทํารถไฟได้เองประเทศอื่นเขาจะ เป็นยังไงเขาก็เขาอยู่พอ เ, เขาเขาพออยู่ได้ครัอถ้าปิดประเทศกันนะฮะอินเดียเขาอยู่ได้อินเดียเขาอยู่ได้ครั บ, รบพอเขาจะทําอะไรเองได้เยอะครับครับยาเนี่ยฮะพวกยายารักษาโรคนะจ๊ะนะทําในอินเดียทั้งนั้นแล้วก็พคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆของอินเดียก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ส่งออกนอกนะก็ทีวีนี่ครับเขาถือว่าถ้าเขาปิดเองไม่ได้เขาจะไม่มีครับทีวีเนี่ยฮะ อันที่เรามีแล้วในอินเดียยังไม่ยอมไม่มีม า, ถ, าถ้าทำเองไม่ได้ไม่มอันนี้คือระบบโยนิโสมนัสิกาน ข, ของเขาอนนะนะครับอันนี้ดีครับส่วนที่ดีของเขาคืคมีนะฉะนั้นผมโยงมาตรงนี้หน่อยนะครับครับอ่ากรรมมีกรรมมีเพราะอะไรก็เพราะว่ามีมีกิเลสอันนี้ก็ถ้าไม่มีกิเลสกรรมก็ไม่มีนี่คือสาวไปนะฮะสับสไปอย่างในสวดมนต์ สวดมนต์รัตนสูตรนะกับประจารย์ที่พระท่นนทานสวดทำน้ำมนต์ที่นังปูรานังนงวังนัตถิสัมภวังหรืว่ากรรมเก่าก็สิ้นไปแล้วกรรมใหม่ก็ไม่มีเคยๆพร ะ, ะนี้เ น, เ ป, นเป็นเรื่องของพระอาหารหาาันต์นะฮะวิรัตตจิตตายาติเกภาวัสมิกหรือนะว่า <c oughs> กรรมอเมื่อเมื่อกรรมเมื่อกิเลสไม่มีกรรมมันก็ไม่มี เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่มีกิเลส ก, กรรมก็ไม่มีกรรมเก่าท่านก็สิ้นไปครับเพราะ<ห>ว่ากรรมใหม่ก็ไม่เกิดกรรมใหม่ไม่มีเ <c oughs> พราะว่าไม่มีกิเลสเพราะไม่มีกิเลสกรรมใหม่ก็ไม่มีอแล้วก็ท่านอาจารย์ครับตรงรตรงตรงนี้ก็ที่คงสัยกันว่าเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมแต่ว่ามีกิริยาเขาเรียกกิริยาตรงตรงนี้หมายความว่ายังไงท่านอา ก็สักแต่ว่าทําอำโอสักแต่ว่าทําท่งนั้นจะไม่เกิดจะจะไม่เกิดเป็นกรรมต่อไปเลยใช่ครับครับได้ครับมันไม่มีผลนะครับไม่มีผลทำก็ไม่มีผลใดๆอ่าไม่มีผลนี่ต่อไปเป็นกิริยาครับอ่าสักว่าแต่ทาใช่ครับอ้าวพอจะทำอ่านี่นี่ก็แนวแนวสาวหาเหตุปัจจัยนะครับครับอย่างเราอ่านบาลีเนี่ยก็จะพบคำ บ่อยที่เจอโกเหตุโกปัจโย่าพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโกเหตุก็ <et> จะถามกันว่าโกเหตุโกปัจโยอะไ ร, ะไรเป็นเหตุอะไรเป็นป<อ>ัจอจามความเข้าใจของผมนะครับไอเหตุหนี่คือเหตุแ<อ>ทรบเหตุแท้มั น, เ ป, นเป็นเรียนคอร์สแ้วก็ปัจโยนั่นเป็นเหตุสัมพันธ์ เอามามากระจายเออกระจายคือเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมนะเป็นส่วนประกอบครับนะครับเป็นเป็นร e l a t i v เป็น relative c o เออเป็นเหตุสัมพันธ์เข้ามาที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นเร็วขึ้นครับนะครับเช่นว่าเราไปไปเห็นคนถูกก็ชนตายเนี่ยอถามว่าโกเหตุโกปัจจยูโกเหตุก็คือกรรมของเขาอะไรอะไรเป็นเหตุแท้อะไรเป็นเหตุแท้ แล้วก็อะไรเป็นปัจจัยคือเป็นตัวประกอบครับอย่างเนี้ยนะฮะครับทีนี้ส่วนมากไอ้เหตุแท้นี่เราไม่ค่อยรู้อาจารย์นะครับก็ไม่ค่อยรู้มันสาวยากมันลึกลับรู้แต่ว่าเหตุถูกเหเหตุอัจโยัจยนะรู้ปัจจัยฮะรู้ปัจจัยรู้ปัจจัยว่าอ๋อนี่มันวิ่งการข้ารถอ่าใช่ครับมันปัจจัยนี่มันมีเยอะฮะใจมีเยอะเช่นว่าเบรกเสียหรือเปล่าครับรถเบรกเสียรถคันอื่นมาพอดี คือมันอะไรอะไรมันประจวบพอดีตรงนั้นพอดีปัจจัยต่างอันนี้คือปัจจัยอปัจจัยต่างๆมันจะล้อมเข้ามาพอดีเลยจ้าเนอะคล้อมเข้ามาพอดีแต่ว่าตัวเหตุแท้เนี่ยถ้าจะให้ตอบตามแนวพุทธมันก็คือความเกิดคชาติถ้าผมเคยอ่านหนังสือออของอดีตผู้ภาคษาท่านหนึ่งท่านพิมพ์แจกงานศพคุณแม่ท่านเนี่ยนะฮะท่านชื่อ ทรงเสือว่าถ้าท่านเป็นสารถ้าถ้าท่านเป็นสารชื่อรเรื่องหนังสือนะฮะครับท่านก็เล่าเรื่องมีคะที่อเมริกาการก่อสร้างตึกสิบกว่าชั้นไอ้คนที่ขึ้นไปทาสีข้างบนอมันเกิดเดินแล้วมันพัดตกลงมาแล้ว ม, มาถูกคนข้างล่างไอ้คนข้างล่างตายไอ้คนลดมาแต่ไม่ตายญาติพี่น้องก็ก็ฟอ้องเรียกค่าเสียหายครับ พิพากษาก็เอ๊ะไม่รู้จะพิพากษายัางไงว่ามันเจตนาที่จะหลดมาใส่หรือมันก็ไม่มีเจตนาครับ <Yeah. S 2> ก็กฎหมายถ้าก็ไปดูกฎหมายหลายประเทศก็ไม่มีก็ไปเจอกฎหมายชาวบาบิโลนเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยครับ <Yeah. S 2> ก็พิพากษาให้อคนที่ฟ้องเนี่ยขึ้นไปชั้นสิบที่ว่าเนี่ย <Yeah. S 2> แล้วก็กระโดดลงมาใส่อ อ, อ, อ, อตัวจําเลยค <Yeah. S 2> ปรากฏว่าโจทย์ไม่ยอม ฮะไออกไอ้เรื่อมันก็เป็นเหตุปัจจัยเป็นไนว่าว่าไอ้มันหล่นลงมาเนี่ยมาใส่ไอ้หัวคนข้างล่างครับแทนที่ไอ้คนหล่นมันจะตายแต่ว่าไอ้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตายกลายเป็นคนคนที่โดนเป็นเบาะรองครับครับอันนี้มันเหตุเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ปัจจัยเนี่ยรู้ว่ามันเดินผ่านไม่รู้มันเป็นสิ่งเหตุที่แวดล้อมันนะครับเหตุแป็นล้อมีประกอบเหตุสัมพันธ์ครับเหตุสัมพันธ์ คือว่าไอ้ไอ้ชาติตัวความเกิดเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นเหตุต้นต้นของความตายนะจาะะครับคือถึงจะไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามามันก็ต้องตายอ่ะครับทีนี้ถ้าหากว่าคนทุกคนมีความคิดแบบนี้นะฮะเพราะว่าคดีฟ้องร้องหรือว่าการฆ่าการอะไรต่ออะไรต่างๆคนจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับ ยังก็มีนายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็รู้จักกันสนิทสนมกันนะฮะครับแล้วลูกของท่านก็นลูกชายก็อายุก็วัยรุ่นนะ่ะจะเกือบยี่สิบละวก็ไปถูกรถชนตายพราะว่าท่านก็บอกว่าเออมันเป็นกรรมของมันคือท่านไม่ฟ้องร้องไม่ไปแจ้งความไม่เรียกค่าเสียหายอะไรทั้งนั้นครับ เอคนที่ขับรถมาชนลูกเขาตายจะทําบุญด้วยอะไรไม่สนใจคท่านถือว่าเออเป็นเป็นกรรมของของลูกท่านที่จะต้องมามาตายตรงนั้นอ่วิเศษจริงเลยก็ตัดปัญหาไปทั้งหมดไม่ต้องขึ้นโรงพักไม่ต้องขึ้นโรงพักขึ้นศาลแล้วก็คนที่ขับรถชนก็เคารพนับถือไปจนตายนะครับไปจนตายเอถ้าคนคิดอย่างนี้กันได้มากๆนะครับมันก็จะแก้ปัญหาตัดปัญหาไปได้เยอะครับ พนาไปได้เลยแล้วก็ตกลงว่าในกรณีตัวอย่างนี้อความเกิดถ้าแต่สาวาเหตุแท้ก็น่าจะเป็นความเกิดใช่ไหมครับค่ความเกิดเพราะว่าคนพอเกิดมาแต่แท้เกิดมาพอเกิดมาจึงต้องตายครับอถึงเขาไม่มีใครมาทําอะไรถึงงูไม่กัดรถไม่ชนไม่มีอะไรใครทำอะไรก็ต้องตายก็ต้องตายเพราะชะลาเป็นแม่แท้เอะอันนี้ความเกิดถือว่าเป็นเหตุที่สาคัญที่สุด เป็นเหตุต้ น, นเหตุ ED ต้นเลยครับเหตุต้นมรณะสตินี่คิดตรงนี้ใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ครับครับใช่ครับนอกจากนั้นก็เป็นเหตุประกอบมันทําให้ตายเร็วขึ้นนะครับครับเท่านั้นเีงแต่ว่าตายแล้วตายแน่ตายแน่ถึงไม่มีอะไรทําให้ตายก็ต้องตายครับคนี่คือการคิดแบบสาวาหตุปัจจัยนะครับแต่มีบางคนคิดอยากจะตายก่อนตายก่อนก็ต้องหายปัจจัยประกอบฮะคือจะว่าผูกผนกความตาคือไม่อยากจะอยู่ เกิดมาแล้วไม่อยากอยู่จะเกิดตายก่อนผูกคอตายกระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายทำเลยสักอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องหาสาเหตุอีกใช่ครับทำไมถึงอยากตายก่อนให้ผมเลยไปข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็คิดแบบแยกส่วนประกอบตามแนวขันหน้าครับตามแนวขันหนาคือว่า เห็นอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนอเป็นตัวเป็นตนก็ก็ลองแยกดูว่าส่วนประกอบส่วนย่อยของสิ่งนั้นคืออะไรถ้าเผื่อแยกส่วนนั้นออกไปแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างพระพุทธภาษิตที่ว่ายะทาหิอังคสัมภาราโหติสัตโดรโทอิติเมื่อสัมภาระมารวมกัน เสียงว่ารถก็มีขึ้นรถรถระถรถรหยุ์เนี่ยนะฮะ ร, รถรถเกวินรถม้าเนี่ยเสียงว่ารถก็มีขึ้นเจวังขันเทสุสันเตสุโหติสัตโตติสัมมติเมื่อกันหน้ายังมีอยู่การสมมติว่าสัตว์ว่าบุคคลก็มีขึ้นครับแต่พอแยกส่วนแล้วมันจะรถก็ไม่มีรถก็ไม่มีอคนคนก็ไม่มี ค่าขันท่าออกแล้วนะครั่ะพอพอแยกส่วนนะเลกรูปแยกนามออกไปแล้วเนี่ยครับพอแยกส่วนแล้วความแยกออกเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณหรือธาตุหกนะครับอดินน้ําไฟลมอากาศวิญญาณเนี่ยครับแล้วคนก็หายไปชื่อรองขาก็ไม่มี เมันจะแยกรถออกจะเป็นส่วนๆนะจ๊ะนะไอ้คาว่ารถหรือภาพรถมันก็หายไปรถเนี่ถ้าหากว่าไม้ไปอยู่ส่วนไม้เหล็กไปอยู่ส่วนเหล็กอ่าแล้วก็ล้อไปอยู่ส่วนล้อก็สภาพรถก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดหายไปมันหายไปอ่าอันนี้เป็นแบบอคิดแบบทฤษฎีแบบการวิเคราะห์เกิดแยกส่วนรวมส่วน หรือว่าอะไรที่มันรวมอยู่ลองแยกดูคว่ามันเป็นอะไรประกอบด้วยอะไรทีนี้ถ้ารวมกันมันจะเป็นอะไรอย่างนี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดอแบบโจนิโสมานสิการอีกแบบหนึงการคิดแบบแยกส่วนด้วย ร, รวมส่วนถือถ้าทํามาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเมืองเราเนี่ยการคิดแบบรวมส่วนก็จะจะคิดใน ในแบบแยกส่วนด้านแรกและอัแนแรกก็เราอาจจะรวมส่วนในในแง่ของประเทศชาติใช่ไหมฮะก็คืว่าเป็นพักก็ได้อจ้นะเนี<ะ>่ยพอรวมกันก็เป็นพักรวมกันเป็นพักพอแยกกันให้หมดมันก็ไม่เป็นพักไม่เป็น <c oughs> พักมนันพักต้องประกอบด้วยคนหลายคนใช่ไหมฮะประกรอบด้วยคนหลายคนมีว่านาพักนีอะไรต่ออะไรแต่งต่างพอแยกออกไปให้หมดเลยแต่ละคนแยกกันไปให้หมดไม่ต้องมารวมกันมันก็ไม่เป็นพักความเป็นพักก็ไม่มีหมดไปค ชืว่าพักก็หมดไปอันนี้อต้องการจะแสดงให้เห็นในสมมติสัจจะกับปรมาทิตยสัจจะอาจารย์ครับไอวความคิดอย่างนี้เปล่าที่อเมริกาเขาบอกว่าอต่อไปเนี่ยโลกของเราเนี่ยจะเป็นมีหนึ่งเดียวไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีหลายประเทศจะรวมกันจะเป็นประเทศเดียวครรัับจะวมกนคือเป็นประเทศโลกอ อ๋อครับจะรวมกั น, วกนเวลาเวลานี้มันก็จะรวมกันอยู่แล้วนนกพอถึงกันหมดแล้วครับเมื่อก่อนนี้จะจะแยกกันอยู่มากเลยจะไม่รู้จักกันอะไรกันเวลานี้มีข่าวอะไรเกิดขึ้นก็รู้กันหมดแล้วก็เหมือนกับเป็นตำบลหนึ่งอะยันนะครั บ, รบอ่าที่ทำนองนั้นนะแสดงอเมริกาถึงได้ไปทุกประเทศบ้านประเทศไหนมีอะไรเนี่ยจะต้องเข้าไปสอดแทรกทุกเรื่องเลยครับ อาจจะเป็นทฤษฎีอันนี้หรือเปล่าท่นอาจารย์อันนี้ผมผมไม่ทราบไม่ทราบในการคิดยังไงนะครับอแต่ว่าอันนี้ต้องการจะเน้นเรื่องปรมัทิตยสัจจกับสมมติสัจจนะครับคิดแบบนี้นะฮะคือว่าถ้าถ้ารวมกันก็เป็นสมมติสัจจ์พอแยกกันก็จะเป็นปรมัทิตยสัจจ์ก็ทําให้เราไม่ไม่ยึดติดอ่าไม่ไม่ยึดติดแล้วก็สบายใจไม่ยึดติดในสมมติอ่ะนะฮะอย่างว่าเหรียญจาร์เนี่ยฮะ พอเอาไปติดค่าที่คนมันมีความหมายขึ้นครับอ<ะ>เหรียญตราสายสะพายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอไปติดค่าที่คนมันมีความหมายขึ้นอพอแยกมันออกไปไว้ต่างหากมันจะไม่เป็นไว้ที่ต้นไม้ก็ไม่มีความหมายอะไรมันจะไม่มีความหมายอะไรครับนะ ค, มมครั บ, ร บ, รบอย่างอย่างดาวของอาจารย์เนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> พอมาอยู่ที่ที่บาอาจารย์มันมีความหมายครับ พอแยกออกไปอยู่ที่อื่นแล้วมันก็ไม่มีความหมายทิดตู้เสื้อผ้าก็มีเราเอาเอาไปใส่หม้อใส่ไข่มันจะไม่มีความหมายครับคิดอย่างนี้ก็ไม่ติดเดียอะแต่ท่านอาจารย์ไม่ติดในยศไม่ติดในสมมุติครับไม่ติดในสมมุติอทุกวันนี้เราก็จะไปติดกับสมมุติกันอ่าใช่ครับติดว่าเป็นพันเอกออกเป็นพันเอกแล้วโอ้ก็กลางใหญ่ก็อะไรทอะไรอาจารย์ไม่เป็นนะฮะเพราะว่า ฟังอาจารย์มาเยอะแล้วอาจารย์ไม่เป็นยังไงอาจารย์แยกออกแยกได้ว่าอะไรเป็นสมมติอะไรเป็นปรามาัดแล้วนี่ก็ทําให้ใจเราสบายขึ้นเลยจ้ะสบายมากเลยครับ <ฮะ S 2> คนที่แยกสมมติ อ, าา อ, อแยกสมมุติออกแยกสมมุติออกจาก ปรบัตรได้เลยแยกแยกตัวตนออกไปได้แยกอะไรออกไปได้นี่สบายมากตัวเบาแล้วเนี่ยนะตัวเบาแต่ว่าสมมติกันขึ้นนะนะครับอ่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันขันหน้าถ้าถูกครัทั้งนั้นบางคนพอไปยึดติดพบกับโอโหมันลําบากทุกอย่างอ่ะจะไปไหนก็ต้องมีคนคอยขับรถให้คอยเปิดประตูให้ครับคอยใส่รองเท้าให้คอยะราคาทุกอย่างแหละครับ ถ้าหากว่าไม่ติดปุ๊เนี่ยไปไหนก็ขับรถเองเปิดประตูเองแต่งตัวเองอาบน้ำเองอะไรเองความเป็นความความเป็นความอยู่ง่ายกินง่ายความเรียบง่าย simplicity เนี่ยนะมันจะหายไปด้วยถ้าเผื่อว่าไปติดกะสมมตินะครับเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อะไรเรื่องเรื่องเขาเล่าไม่ทราบที่อ่านหนังสือมาที่เขาเขียนน่ะคือเจ้าพระคุณสมเด็จพุะษาจารย์โตนะครับ ท่านผมก็จําไม่ได้ว่าท่านไฟเข้าวางช้าหรื อ, อยังไงที่ได้การที่เตอร์ับสั่งว่าเดี๋ยวถอดออกเดี๋ยวถอดซะเลยอย่างเงี้ยแต่พอขันเอะไรเทร็จท่านก็ลุกกราบจากวางไม่เอาพัดกลับอพวกก็เนื่ว่าท่านลืมเขาวิ่งเอาพัดมาให้ครับท่านก็บอกว่าหัวโตหัวโตดีก็หาว่าหัวโตวบ้าับ หัวโตบ้าก็หาว่าหัวโตดีครัครับพมะองค์ต่อของอาจารย์อีกนิดหนึ่งครับอที่ที่เห็นชาัดที่ตอนที่ท่านไม่ติดโยศนะฮะครับคือมีคนไปหาท่านแล้วก็ไปกราบท่านถามว่ามาทําไมบอกมากาบสมเด็จสมเด็จโตเนี่ยนะครับครับท่านเราพัดพัดท่านอยู่ในในตู้ครับท่านบอกนนท์สมเด็จอยู่ที่นน อยู่ที่ตู้นั่นแหะอยู่ที่ตู้นั่นแหละไปไปกราบไปกราบตู้นี่ขวบโตนี่ไม่ใช่สมเด็จนี่ขวบโตสมเด็จอยู่ที่โน่นนี่คือท่านแยกออกแล้วท่านแยกออกแยกออกว่าอคือตัวตัวท่านไม่มีอะไรอ่าตัวท่านไม่ไม่ใช่สมเด็จถอดไ้ได้ใช่ไหมท่านถอดแล้วอยู่ในตู้ในตู้ครับถอดแล้วก็ไม่หนักครับเรื่องนี้สําคัญนะท่านอาจารย์ตอนตอนนี้ก็ผมก็ได้รับ อคำปาลารบจากพระเถระผู้ใหญ่จากต่างจังหวัดนะฮะเพราะต่างจังหวัดเนี่ย ก, กว่าจะเป็นเจ้าว่าได้ก็อายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหราะว่าเป็นเจ้าคณะเภลอ่ะเจ้าอายุก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแต่ว่าจขณะนี้เจคณะภาคท่านอายุสามสิบกว่าสี่สิบกว่าเป็นเจ้าคณะภาคแหละเวลาไปประชุมอกันก็พระเถระผู้ใหญ่ก็ต้อง มากราบมาไหว้แจ้าคณะท่านเลยนี่นะครับซึ่งม <ไป S 1> ีงาาพรรษาน้อยกว่าเนี่ยครับไอ้ยางนี้มันน่าจะคิดแบบแยกส่วนรวมส่วนด้วยนะฮะอันนี้น่าเศร้าครับครับเรื่องนี้น่าเศร้าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ได้รับฟังมาจากปากของพระเถระที่อยู่ต่างจังหวัดนลยนะผมเคยผมเคยได้ได้ทราบก็เคยได้เห็นครับ แต่ว่ า, าหลายหลายหลายสิบปีมาแล้วนะครับคร<ะ>ับเจ้าคณภาคท่านยิ่งใหญ่มาแต่ก็อายุยังน้อยอย่างที่เจาจันบานเนี่ยพระเทระผู้ใหญ่ปุณปุปอุปรชาย ญ, ญาปุณาจารย์ซึ่งเป็นพระครูบ้างเป็นเจ้าคุนชั้นต้นๆบ้างนะฮ ะ, ฮะมาเข้ามาในกรุงเทพก็ต้องมากราบท่านนะฮะมากราบเจ้ากนณะภาค<ะ>ท่านท่านมียศจศมากมีศักดิ์ใหญ่มี อะไรมันมันเป็นเรื่องเศร้าครับค่ะแ<น>ผมวันนี้ก็ก็คงจะต้องคงไม่ไม่เสียอะไรแก็เจ้าพุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยกับผมสังเกตเวลาท่านไปไหนถ้าไปเจอพระที่มีเอาโศกวา่าที่ท่านจะกราบก่อนค่ะยังไงท่านไปที่วัดหมหาธาตุต <c oughs> อนําไมท่านเ <c oughs> ร, ระวโรธธรรมอาตสภาะเถระอยู่ค่ะัถึงท่านกราบก่อนครับ่ะท่านกราบก่อนกต่ทางทางท่านที่ท่าน มีสมณศักดิ์สูงอะไรเนี่ยแต่ว่าอายุน้อยกว่าใช่ครับครไปแยกส่วนนะนะออยันนี้แยกส่วนแยกเป็นวันนี้คือวินัยตามพระพุทธานุญาตว่าให้เคารพตามตามระดับปรรษารนะฮะอันนี้สมณศักดิ์นี่อีกเครื่องหนึ่งอะไรทํานองเนี้ยะสมณศักดิ์นี่เป็นเรื่องโน่น อ, อยู่ในโตู้โน่นแบบที่สมเด็จโตท่นว่าเวลาไปไหนก็อย่าเอาชะคุณไปด้วยอย่าเอาสมเด็จเอาอะไรไปด้วย พอไปจะไปจะตัวกับพระธรรมนี้นายครับเพราะนันมันเป็นเรื่องเคร้าครับเรื่องคานองนี้ผมขอต่อไปครับข้อที่สามนะครับครับเอคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดานะครับคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาอันนี้ก็เป็นแนวใจรักครับครับแนวใจรักหรือว่าอ่ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นทิตาวิสาธาตุธรรมมัทธิตาธรรมนิยามตา สเปสังขารานิจญาสเปสังขาราดุขะสเปธรรมานัตตาว่าอยึดใจลัก์เอาไว้เป็นแนวความคิดความคิดมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงท่านที่ผมก็ชอบเอาคํำพูดของท่านพุทธทาสมาตตาตาตาครับตาตาตามันเป็นอย่างนั้นของมันแหละมันไปอย่างนั้นแหละเป็นพัะนั้นแหละคครรัับบ อจำนวนของภาคใต้ภาคใต้ฮะภาคใต้มันเป็นพันนั้นแหละมันเป็นพันนั่น <c oughs> แหละแต่ทุกอย่างไม่เที่ยง<ช>เป็นทุกเป็นอนัตตาคือว่าความรักความรักก็มันพอเกิดความรักขึ้นมาก็ น, นึกไว้ล่วงหน้าว่ามันไม่เที่ยงอเอ ไ, ไม่เท่าไหร่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดความโกรธขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงครับทีนี้ที่ทํากันก็คือเอาโลกธรรมเป็นตัวตั้งยิ่งดีนะฮะโลกธรรม เกิดสุขาลาบยศราบยศ เ, เสื่อมได้ลาบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศบินทาสันเสริญสุขทุกอะไรเนี่ยฮะพอได้สุขขึ้นมาก็โอ้ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันมีความทุกข์ตามมาด้วยได้ลาบมันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยแม้ได้ทุกมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปได้ทุกไม่เท่าไหร่มันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าคิดลวงหน้าเอาไว้คิดลวงหน้าเอาไว้ก่อน พอมันเกิดขึ้นจริงก็ก็มันคิดแล้วคิดไว้แล้วนึกแล้วเชียวว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ท่านนี่คนธรรมะิป็นอกท่านก็พูดจุดเสมอว่าถ่าเราจะไปรับรงตำแหน่งอะไรทักตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็ให้คิดรู้ว่าเออเดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่ไม่นานพอไปอยู่สักพักเปลี่ยนไปก็นึกว่าเออถูกคิดแล้วว่า <c oughs> มันต้องเป็นอย่างนี้ ก็อย่างนี้สบายใจะสบายใจคิดล่วงหน้าไว้แล้วคิดล่วงหน้าไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้คิดตามแนวใจรักอคิดตามแนวใจรักว่ามันจะต้องเป็นอย่างเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนไปครับเป็นนายกก็พอถึงเวลาสี่ปีก็ต้องออกไปพอถึงออกก็ต้องออกไม่ต้องไปอะไรอาวรณ์นึกไว้แล้วว่าะมันต้องออกว่ามันต้องออกแต่ว่าถ้าเผื่อมีใครมารักเราก็นึกว่า หรืกว่ามันไม่เที่ยงฮะอีกหน่อยเขาอาจจะไม่รักก็ได้ครับพอเขาไม่รักขึ้นมาก็ไม่ไวแล้ววันหนึ่งต้องมาถึงตรงนี้อะไรอย่างนี้ครับมันก็ค่อยสบายใจได้แต่บางบางคนทิศไม่ไดต้ตอนรับราชการในโอ้ตื่นเวลาไปทํางานเนี่ะถะ้าอลูกน้องมาหอม่อมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังท่านครับนี่ครับเอาสารพัดหมดอ่ะแต่พอกเกษียณแล้วเงี่ย ครับบางคนอยู่ได้ไม่กี่วันตายเฉาตายเลยใช่ น, น่าสงศารนะแบบนี้ครับแบบนี้ น, าน่าสงสารที่จริงเขาหน่าจะหัดคิดมาตั้งแต่นมหนุ่มนะฮะครับทำไมจะมาคิดเอาตอนกันเสียนแล้วยังไม่คิดอีกบางคนพอวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยังแต่งตัวแต่งตัวขาว้าราชการแล้วก็นั่งรถออกไปข้างนอกสักพักเนี่ยก็ขับกลับ เพรามันเคเแค่คไปติดความเคยชินอ ะ, อะมันทําใจไม่ได้ อ, อายุถึงกเกษียณแล้วยังคิดเรื่องพวกนี้ไม่ออกอีกก็น่าสงสารอยู่จริงๆมันควรจะคิดได้ตั้งแต่ยังหนุ่มๆแล้วครับเพื่อจะได้ใช้มันนานๆนะครับอาจารย์ฮะคความแนวคิดแบบนี้คิดเอาไว้เพื่อจะได้ใช้มันนานๆปีหลายๆทศวรรษ ไม่ไม่ใช่ว่าอายุกเกษียณแล้วยังคิดเรื่องนี้ไม่ได้อีกก็แย่เลยฮะคือก็อาจจะตลอดเวลาไม่ได้คิดเลยใช่ครับไม่ได้คิดเลยไม่มีเวลาที่จะคิดมันคิดไปในทางที่ว่าอาตัวฉันของฉันครับอาจจะต้องยั่งยืนถาวร อ, อะไรทาํานองนี้ใช่ไหมฮะยิ่งโลกธรรมนี่เป็นตัวตั้งดีเลยครับสําหรับแนวคิดแบบนี้นะฮะโลกธรรมเนี่ย พอเจอโลกกระทำแก้วก็ต้องเอาแนวคิดแบบใจรักเนี่ยมาใช้ได้ประโยชน์มากเลยแต่ถ้า ถ, ถ้ามองมองในแง่ดีสมมุติว่าเราอยู่ตำแหน่งเนี่เยเกิดเจ้านายี่เขาสี่คำสา่ให้ไปประจำก็บา ง, งเออมาอยู่ตรงนี้ก็ดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไ ร, รับก็ก็คิดไปในแง่ดี ค, ครับคิดไปในแง่ดีอก็ดีะนะฮะเหมือนกับพลิกพลิกความมือกัน แต่าคิดได้เร็วมันก็พลิกความมือ <c oughs> ความสุขทุกข์นี่มันมันอยู่ที่ว่าเราพลิกความคิดได้แค่ไหนอพลิกไปนิดหนึงเขาเป็นสุขพลิกไปนิดหนึงเขาเป็นทุกข์อย่างยกตัวอย่างอย่างท่านนายกชวนเนี่ยน ะ, ะแล้วตั้งคราวนี้ท่านได้คะแนนไม่พอที่จะเป็นจะตั้งรัฐบาลค ท่านก็คยจะคิดว่าเออ็ดีเหมกันอยู่สบายดีครับไม่ต้องไปแบกภาระอะไรมากด้วยหยุดพักเหนื่อยใช่ไหมพักเหนื่อยสักบ้างได้หยุดพักเหื่อยใ่ไหมดีแล้วถ้าได้ถ้ามองอย่างนี้นะมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลว่าเอออันเนี้ยเรานับถือพุทธแท้แหละครพอเห็นอะไรนิจังทุกขังอนทตาปรากฏอยู่ทุกขนาดเนี่ยก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ครับจะนะาคงได้เวลาเปิดสายแล้วมั้งฮะ ครับรฟั ง, ฟง<ด>ที่เคารพครับขณะนี้ท่านอรรถสิตามพระฟังรายการธรรมะร่วมสมัยท่านอาจารย์วสินอินทรศระก็นำความคิดแบบโยนิโสมนัสิการสิบประการมาพูดวันนี้ก็ได้พูดได้สามข้อด้วยกันก็คือข้อที่หนึ่งคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยซึ่งเป็นแนวความคิดแบบปฏิจสมุ ป, ปบาทเช่นกรรมมีเพราะมีกิเลสเป็นต้นนะครับ ประการที่สองคิดแบบแยกส่วนประกอบแยกส่วนหรือรวมส่วนประกอบซึ่งเป็นความคิดแบบขันห่านะครับแล้วก็ประการที่สามคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาเป็นความคิดแบบใจละอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับถ้าต่อไปนี้เราก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมในการทรา่รานคุณตุ้ยเรื่องสวัสดีครับรครับคุณตุ้ยนะครับ สวัสดีคุณอยู่หลังใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ครับอาจารย์กำนลอาจารย์ปัญญิกิเศสของขากลตรวจวัสดีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับก็ผมเคยถูกตั้งปัญหาถามว่าอคนลาจากการตอนไหม่แล้วก็ก็ได้รับคำตอบกมตอบไม่ได้ล่ะแต่ก็เพรมันงงก็เลยได้รับคำตอบว่าตายจากนะครับนั่นก็เป็นข้าวคลาวเข้าใจทางโลกตัวลมหายใจตางกัน ชาติหนึ่งชาติหนึ่งในพระพุทธศาสนาเนพระพุทธองค์ก็ทรงรละลึกพระชาติอยู่ตลอดว่าพระอ น, นุพโมคคลาพระสารีบุตรพระราชบิดาพระราชมารดาพระนางยศุทธลาแล้วก็พระราหุ่เนี่ยเคยเกิดรู ก, กาวชาติการชาตินั้นชาตินี้มาตลอดมาเป็นการจากที่ไม่ทาวาเบญบาตนะครับทีนี้ก็ผมกลาวเบียนถามว่าและจากการทางธรรมมด้วยวิชาถึงขั้นดับขันดับลูปเบจารสัญญาถังขัวิญญาณนะพ่อปัญญาเห็น ความเป็นพระไตรลักษ์ก็หมเทเหตุผลัรรใยถ้าอาจารย์จะผมกลับยนถามท่าอาจารย์ว่าเป็นการจากกันอย่างไรถ้าถามพระพูดตรวจท่าได้แลยนะถ้ากระโคกแลบอกว่าขู่ปากนิ่งก็ผมขอความแจ้งแจ้งตรงนี้ด้วยครับผมครับขอบคุณคุณเสถียครับท่บานอาจารย์ตอบคุณเสถียรเลยนะถ้าถ้าจากทาวรจริงๆก็คือต้องสาเร็จอาลนะครับ แต่ว่าจากกันไม่ต้องเจอกันอีกอแต่ถ้าจากแบบยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติโน้นแหละเอาเวียนมาเจออีกต้องมาเวียนมาเจอกันอีกอันนี้ถ้าจากแบบถาวรก็ต้องเป็นพระอรหันต์ใช่ครับอ้าวอาจารย์สนิทเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์สนิทครับสวัสดีครับอาจารย์วัศินบสวัสดีอาจารย์สนิทครับอ่าที่เราฟังอยู่นี่ ไอตาตาตาีนปักใต้ก็ก็ก็ก็แปลว่ากู้ว่าแล้วนะอ๋ออ่ากู้ว่าแล้วแหมเมียจากไว้ก็กู้ว่าแล้วทีนี้ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์เรื่องจำสภาว่ารมนิดหนึ่งครับคือผมไปเปิดดูในอัจฉรานสมาติปัญฐานเนี่ยนะครับมันก็ไม่พบคำคำนี้แต่ว่า ในทางปริยัติเนี่ยผมเข้าใจอะแต่ว่าเวลาทางปฏิบัติมันก้องมีปัญหาเพราะการเยียยาโนปัตสีเนี่ยนะเป็นกายในกายเนี่ยที น, นี้ไอ้กายตัวแรกมันไม่มีปัญหาไอ้กายตัวหลังเนี่ยอาจจะแปลว่ากองทำเนื้อสภาวะธรรมที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับกาย <c oughs> อ, อแล้วก็เวทนาถูเวทนานุปัตสีนะไอ้เวทนาตัวหลังนะ่ะ เออก็ทำเมตุทำมานปัสสิจิตเตจิตตาโนปัสสิจิตานนปัสเสิเนี่ยครับให้สภาวะตัวหลังเนี่ยพูดอย่างไงอธิบายอย่างไงมันชัดอ่าอาจารย์คงจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับศัพท์นี้นะเพือทํำในทำเนี่ยนะนทํ า, นนะาในทำกายใ น, ในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตจิตในจิตเนี่ยครับอที่มันไม่ใช่เรื่องของปริยัติแต่มันเป็นตัวปฏิบัติ นี่ก็อาจารกษาตเองก็รู้จะไม่ค่อยกลาก้กาแก้ก็เลยปล่อยไว้นึครัเป็นที่เข้าใจแต่เอาก็จริงก็คงจะลำบากเนนะครับเพราะนั่นก็เชื่อมั่นว่าถ้าอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างตรงนี้สักนิดหนึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์ที่ถามนี่ไม่ค่อยจะชัดเจนจริงไม่ใช่เป็นการหลงเลโด ย, ยคิดว่าตัวเอง มีความรู้อยู่แล้วกำลังกำลังนั่งคิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็คิดเรื่องนี้อยู่อ๋อคือคิดแล้วมันออกกันะแต่มันออกแล้วมันกลัวพลาดนนะครับก็จะได้นักรวชมาช่วยยืนยันหน่อยขอขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณนะครับครับอาจารย์เชิญนะครับที่อาจารย์โทรเข้ามานะครับครับอตามความเข้าใจและตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับเท่าที่ผมได ไ ด, ได้ใช้อยู่นะครับอาจารับคือกายในกายเนี่ยเขาหมายถึงากายย่อยในกายใหญ่อย่างอย่างในากายานุปัสสนาเนี่ยครับก็มีมีหลายหลาหลประภะคือหลายหลาหลายข้อหลายเซกชันนะครับในกายานุปัสสนาเนี่ยเช่นว่าอาณาปานะประภะอันนั้นก็ถือว่าเป็นกายหนึ่ง อารมณ์หายใจใจครับก็ถือว่าเป็นกายหนึ่งเป็นกายหนึ่งปฏิกูละปพระก็เป็นกายหนึ่งคือว่าคืวพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายหลอย่างครับไอ้ที่ไอ้ที่คำว่ากายตัวแรกเนี่ยกายเยเนี่ยหมายถึงไอ้ส่วนรวมทั้งหมดของของกายใช่ไหมของกายทีนี้ก็แยกออกมาเป็นส่วนๆอาพิจารณาอ่า คือมันมีแต่ละแต่ละหมวดธรรมเนี่ยทั้งทางกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยครับจะมีหลายหัวข้อทีนี้พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายหัวข้อนั้นเนี่ยเอามาเปยนข้อเดียวก็ถือว่ากายในกายกายในกายกายกายใหญ่ก็คือรวมทั้งหมดคือกายในกายออ่าไกายตัวแรกนี่กายย่อยครับในกายที่คือกายใหญ่กายใหญ่ครับ กายใหญ่กายใหญ่คือกายทั้งหมดกายทั้งหมดเวทนาก็เหมือนกันนะฮะเวทนาทั้งหมดแล้วก็พิจารณาเวทนาในเวทนาก็คือเวทนาย่อยในเวทนาใหญ่ครับจิตจิตธรรมอะไรก็เหมือนกันครับครับผมเหมือนกันก็แปลว่าจนตรกของใจนะฮะก็เข้าใจอยู่แล้วก็คงจะมาเพื่อย้ำเพื่อเพื่อจะได้มั่นใจขึ้นครับผมอท่านพลตุลาธีสุชาติครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านอาจารย์วระินอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้งสองผู้ลมและทุกท่านครับสวัสดีครับก็เรื่องที่อาจารย์ได้มาบรรยายนี่ก็ก็เข้าใจชัดแจ้งนะครับก็เพิเงินผมไปอ่านบทความสยามรัฐรายวันเมื่อวานนี้นะครับก็ในบทความเรื่องการเลือกวิธีชีวิตและการคิดในโลกที่สับสน ตอนที่สี่ภาคจบนะครับก็ที่อาจารย์เขียนไว้ก็เขาตรงกับที่พูดวันนี้นะฮะตงกัที่พูดวันนี้แต่ถ้าอยากจะเรียนถามอาจารย์นี่ว่าทั้งหมดมีกี่ตอนที่เขาลงไปพผมยังไม่ได้เห็นครับอาจารย์คือผมไปเห็นตอนจบพอดีก็ประมาณห้าข้อร่อนะฮะก็คงจะจะประมาณลงสั้งนะลงยนตจบไหมครับเขาบอกตอนจบนะฮะตอนจบครับก็เป็นเรื่องที่พูดกันวันนี้ก็ไม่ทราบว่าเอ ก็ อ, อยากจะได้ทั้งหมดที่อาจารย์ได้เขียนไว้ไม่ทราบว่าจะกลุ่นมาได้หรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่า เ, เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้าวเรื่องหรือเป็นแนวคำบรรยายที่ผมได้ใช้บรรยายที่ตึกนกนเอกประสงค์ชั้นสี <c oughs> ม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยการจัดของชมรมคุณภาพชีวิตและสังคม <c oughs> เมื่อวันจันทร์ที่สิบามธันวาคมสองพันหร้อยสมสิบหกครับผู้ฟังก็คืออาจารย์คณะต่างๆครัศึกษาและประชาชนทั่วไปครับครับอันนี้กับข้อความทั้งหมดที่ผมนํามาพูดแล้วก็ที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐออกไปลงนะฮะครับครับเคยเคยเคยบรรยายที่ทัาไม่ได้ไปเขียนบทความใช่ไหะเป็นการบรรยายเป็นแนวเป็นแนวคําบรรยายอันนี้นะก็คงจะน่าจะถอดเทปมาหรืออันนี้ไม่ครับคือคือผมจะ จะเขียนเป็นแนวเป็นแนวแล้วก็ไปพูดละเอียดกว่านี้นะฮะครับครับอแต่อันนี้ก็เป็นเป็นที่ผมเขียนไปพ่อครับทางบที่ผมเขียนไปแกแกเป็นทิดใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ครับใช่คิดคึกว่าถ้าได้มาอ่านควบคู่กันไปก็คันลืมะฟังฟังที่อาจารย์แล้วก็ความจริงผมก็บันทึกเทไว้เหมือนกันก็อ่าบางทีก็เวลาเราจะเขียนเราจะอ้างอิง สมมติจะเขียนบทความเกี่ยวข้องอาจจะอ้างอิงเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวไว้อะไรนี่ก็จะเป็นประโยชน์ดีถ้าว่ามีอย่างนี้ก็แจกจ่ายลูกศิษย์ทุกหาก็องคจะเป็นการดีนะครับตั้งตั้งปีสามหกนะครับทั้งแปดปีมาแล้วครโอ้หนาแล้วเหรครับปีสามหกครับก็สุดแตอาจารย์จะสะดวกก็แล้วกันนะครับครับสวัสดีขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ อาจารย์ครับครับสวัสดีอาจารยสิงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สบายดีนะครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์วันวันนันไปไหนบ้างเปล่านอกจะไปสอนที่มหาเมฆุดวันวันหนึ่งก็ไปสอนหนังสือแล้วก็กลับทํางานต่อทํางานครับงานก็เป็นงานเขียนก็ งานเขียนบ้างงานเตรียมงานที่จะออกอากาศวันทุกวันนะครับคช่ตอนนี้อาจารย์ออกที่ไหนบ้างคะออกรอด747ทุกวันทุกวันทุกวันเวลาเท่าไหร่สองทุมครึ่งครับอ๋อสองทุมครึ่งครับก็พ้นมสองตอนสองทุมวันอังคารครับก็ก็ที่นี่ครับทุกวันเช้า 5, วันเสาร์อาทิตย์ใช้เทปนะครับไม่ได้ออกสด๋ oh. 2> 2อ้สมาธิตตอนสี่โมงเย็นที่พ้นพ้นหนึ่งครับ oh. ที่ที่ว่าเอาเทปจากที่เราสนทนาไปออก 5, นี่ด้วยครับครับ <Yeah. S 1> ก็มีวันศุกร์ตอนเช้าก็ใช้เทปเหมือนกัน mm hmm. เทปที่ธรรมารวมสมัยบ้างแล้วก็เทปที่อื่นบ้างนะครับครับ <Yeah. S 1> <So. S 2> ก็เรียกว่าทั้งวันเหมือนกันเอ่อ มีงานทั้งวันเหมือนกันทั้งวันครับทั้งวันคดีจะได้ไม่แก่ใช่ไามที่จะทําได้ครับอาจารย์ครับอิที่บาทำนะฮะจะทําได้หรือว่าทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะไม่ไม่ได้คิดอะไรมากครับอาจารย์ก็ทํางานหนักเหมือนกันนะครับ Two, ทั้งสองทั้งสองการเขาอยากเทศการว่าละทำได้เท่าที่ทำทำได้เท่าที่ทำได้ตอนนี้เราอายุก็ขนาดนี้แล้วเหลือเวลาที่จะทำอีกไม่นานครับมีโอกาสก็ต้องรีบทำจะไปโม่ประมาทเพาอายุแค่นี้เดี๋ยวอีกหลายปีกว่าจะตายครับก็คงไม่ได้นะฮะก็มันไม่แน่กัน่แน่กคือว่า ความตายมันจาะอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ทราบว่าจะวันไหนเท่านั้นเนี่ยมันก็จาะอยู่ทุกวันเงาหมืดเดินตามหลังอยู่ทุกวันไม่ทราบจะได้จังหวะเข้าวันไหนก็เอาวันนั้นครอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับครับอัจารยมนด้วยนะครับสบายดีท่านอาจารย์ครับเมื่อคืนนี่ทราบข่าวว่าอาจารย์สนิทมาออกครับเมื่อคืนท่านอาจารย์วันลบท่านไป ไปสอนวิปัสนาอยู่ที่ปัตนี<โ>อ๋อแล้วก็ท่านออกไม่ได้แต่ท่านก็โทรมาบอกให้อาจารย์สนิทออกแทนครับเมื่อคืนอาจารย์สนิทก็มาอาจารย์สนิทออกที่ไหก็ทูกฟังก็บอกว่ามันทุกทีใชใช่คร <c oughs> ับเมื่อกี้ก็เสียดายเหมือนกันครับไม่ทราบไม่ทราบลงหน้านะครับอาจารย์เป็นแฟนประจำ น, น, ยนะยะนะ ผมก็ผมก็จอบฟังท่านเหมือนกันนะชอบฟัถ้าถ้าถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่ฟังครับอาการป่วยของท่านก็ไม่ค่อยดีนักใช่ไหมเขาก็ไม่ก็ได้ทราว่ากระดูกมันไม่สนิทมันติดกันไม่ไม่สนิทแล้วมันมีอาการทางมันไม่ไม่เข้าสนิทเหมือนกับของเดิมซึ่งหมอเขาบอกว่าเดือนมีนาเนี่ยถ้าตรวจดูถ้าอย่างไรอาจจะต้อง อ่ตัดใหม่เขาว่างั้นเลยนะฮะหมอเขาก็ห้ามคือไม่อยากจะให้เคลื่อนเคลื่อนไหวบ่อยท่านอาจารย์อยากให้อยู่กันที่แต่ที่นี้อาจารย์เสนท่านก็เป็นคนทำงาน ก็ไปอยู่เลยเลยไม่ได้หยุดเลยอครัก็เลยหมอก็เกือบจะบอกเลิกลาแล้วไม่อยากจะดูอครับก็เหมือนพระจักคุบาลนะฮะครับือคนไข้ดื้อนะบอกให้นอนยอดเขาไม่ยอมนอนยอดพระจักคุบาลนั่งหยอดนั่งหยอดมันก็ไม่หายครับครับวันวันนี้ก็จะต่อเรื่องการใช้โยนิโสมนัสิการนะครับครับ ข้อสี่ น, น, นะฮะข้อสี่ข้อสี่การคิดแบบแก้ปัญหาคิดแบบแก้ปัญหาก็คือการคิดตามแนวอริยสัจนะครับคิดตามแนวอริยสัจ <c oughs> ความทุกข์นี่เป็นปัญหาก็ทุกคนทุกคนก็มีปัญหาสําคัญอยู่อันหนึ่งคือความทุก ทีนี้ความทุกข์เราจะดับทุกข์กันที่ไหนถ้าตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเราจะดับทุกข์กันที่ไหนเพราะความทุกข์นี้เป็นปัญหาสําคัญพระพุทธเจ้าท่านจัดดุคธรรมะสัมภพยังอความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก <c oughs> นี่จะดับกันที่ไหน คำตอบก็คือดับที่เหตุของมันครับเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นนั่นก็สาวไปถึงสมุทัยใช่ไหมฮะครับทุกข์ัดสมุทยัยเหตุเกิดของทุกข์